บททีเจ <Book> <78. S 1> ็ดสิบแปดคำคุณศัพท์หนึ่งวิเศษษ์เอกวิเศษ์กผู้หญิงชาราหนึ่งคนเอกบูรหีสตรี เू ढ บูรีสตรีผู้หญิงอ้วนหนึ่งคนเอกมูทสตรีเอกมูทสตรีผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นหนึ่งคนเอกจิกยาสูสตรีเอกจิกยาสตรสสต ร, รถใหม่หนึ่งคันเอกนายาี เอรถรถความเร็วสูงหนึ่งคันเอดิเรากเอทีกเร็ารถนั่งสบายหนึ่งคันเอกราที่นั่าเอกรถที่นั่ชุดเดรสสีฟ้าหนึ่งชุด เอกนีลากัปปะเอนีลากปชุดเดรสีแดงหนึ่งชุดเอกลัลกัปปเอกลัลกปปะชุดเดรสสีเขียวหนึ่งชุดเอกฮรากัปปะเอกรากปกระเป๋าถือสีดำหนึ่งใบ กาลาแบกกกระเป๋าถือสีน้ำตาลหนึ่งใบบูราแบกบูราแกกระเป๋าถือสีขาวหนึ่งใบสเฟิดแเฟิดแบกคนใจดีหลายคนอชลอ คนสุภาพหลายคนวินมรุลกวินัมรลูกคนน่าสนใจหลายคนเดลชัสปลกลชัสปลูกเด็กน่ารักพี่ารัตเช่พี่บัเชเด็กดื้อ ढ ी ठ ब च ั च เฉी ठ बच्चे จेฉ่ीด ह ा द ี र बच्चे बहादुर बच्चे